จงพยายามทำสิ่งที่ดีให้ดีที่สุดตามความคิดของเราที่เห็นว่าถูกต้องในขีดที่ไม่วิวาดกันแล้วจงยึดความถูกต้องยุติธรรมตามกรรมใหม่และเก่าของแต่ละคนแต่อย่ายึดความถูกต้องตามความคิดของเราว่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราหรือกับใครๆแต่ละเสี้ยววินาทีนั้นไม่เที่ยงบางเวลาเกิดสิ่งที่ดีบางเวลาเกิดสิ่งที่ร้ายอันเกิดจากทุกชีวิตล้วนเคยทำทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ร้ายในชาตินี้หรือชาติก่อนทั้งนั้นซึ่งจากกิเลสและวิบากร้ายของแต่ละคน สิ่งที่เกิดขึ้นจึงมักเด่นไปทางที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิสิ่งที่แต่ละคนรับอยู่เป็นอยู่แต่และเสี่ยววินาทีนั้นล้วนเกิดจากวิบากกรรมใหม่บางส่วนสังเคราะห์ร่วมกับวิบากกรรมเก่าบางส่วนดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกระภะิกสุทั้งหลายเราไม่กล่าวความที่กรรม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 ข้อหนึ่ง้ในส่วนที่รับผลรับเท่าไรก็หมดไปเท่านั้นแล้ววิบากกรรมใหม่บางส่วนก็จะสังเคราะห์ร่วมกับวิบากกรรมเก่าบางส่วนเป็นผลที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนั้นนั้นเกิดและดับอยู่อย่างนี้สืบต่อไปดังนั้น เมื่อพยายามทำสิ่งที่ดีให้ดีที่สุดแล้วถ้าเกิดสิ่งดีก็เป็นเพราะกุศลของทุกฝ่ายจะเกิดจากกุศลมากหรือน้อยก็ตามที่แต่ละฝ่ายได้รับจริงถ้าเกิดสิ่งไม่ดีดังใจเราหมายแสดงว่าเป็นวิบากไม่ดีของผู้ที่ทำหรือได้รับสิ่งที่ไม่ดีนั้นส่วนเราที่ไม่ได้ดีดังใจเราหมาย ก็เป็นวิบากไม่ดีที่เราทำมาก่อนในชาตินี้หรือชาติก่อนที่มีคนที่ดีช่วยเสนอสิ่งดีที่เหมาะควรให้เราแต่เราก็ไม่เอาดีที่เหมาะควร น, นั้นในชาติที่เราเป็นคนดีนี้วิบากของเราก็จะดูดดึงหรือสร้างผลให้เราได้พบเหตุการณ์ที่คนไม่เอาดีตามที่เรามุ่งหมาย คนที่ทำให้เราไม่ได้ดังใจมุ่งหมายนั้นจึงเป็นคนช่วยให้เราได้รับและหมดวิบากนั้นเมื่อวิบากที่ไม่ดีหมดไปวิบากดีก็จะส่งผลได้มากเราจะโชคดียิ่งขึ้นเพราะเราทำแต่กุศลอย่างเต็มที่แล้วตามเหตุปัจจัยที่เป็นไปได้จริงโดยไม่โกรธไม่เกลียดไม่อึดอัด ไม่ขัดเคืองไม่วิวาดกับใครไม่ว่าจะเกิดสิ่งดีมากน้อยหรือล้มเหลวแค่ไหนก็ตามจิตวิญญาณของเราก็จะบันทึกเป็นกุศลเต็มที่ตามแรงของกายวาจาใจที่เราทุ่มเทเราจึงควรจะสุขสบายใจเต็มที่ได้แล้วโดยสรุปการยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งที่ไม่จริงตามสัจจะแห่งกรรมคือความอายุติธรรมย่อมเป็นทุกข์การยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นจริงตามสัจจะแห่งกรรมคือความยุติธรรมย่อมเป็นสุขจงเป็นผู้ไม่ติดไม่หลงยึดมั่นถือมั่นปักมั่นในการกระทําและผลของการกระทําว่าเป็นตัวเราของเรา อย่างยั่งยืนถาวรแต่มีปัญญารู้ว่าเราทำสิ่งใดก็เป็นสมบัติวิบากของเราเมื่อให้ผลแล้วก็จบดับไปสุดท้ายก็ไม่มีใครได้อะไรเพราะสมบัติแท้ชิ้นสุดท้ายของคนทุกคนคือความไม่ได้ไม่เป็นไม่มีอะไรเป็นผู้ไม่อยากได้ไม่อยากเป็น ไม่อยากมีอะไรตอบแทนจากใครเพราะรู้ว่าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่วิบากหรือผลแห่งกรรมหรือการกระทำของเราก็จะจัดสรรให้เราได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้เองตามธรรมจึงสงบสบายไม่มีทุกข์ในใจใดๆเป็นเหตุให้จิตใจผาสุกร่างกายแข็งแรงอายุยืน อย่าใช้อำนาจบังคับคนถ้าใครทำก็เป็นบาปของผู้นั้นใช้อำนาจบังคับโดยที่เขาไม่เต็มใจคือบาปเขาไม่พร้อมแต่ต้องพยายามทำตามที่ผู้มีอำนาจสั่งจิตวิญญาณเขาก็ทุกข์ผู้ใช้อำนาจสั่งก็ต้องรับบาปนั้นอย่าไปใช้อำนาจบังคับการ อย่าคิดว่าจะได้ดังใจตลอดติดการได้ดังใจคือนรกที่ยั่งยืนทำให้คนอื่นเดือดร้อนคลื่นแม่เหล็กแห่งการหลงเสพสุกลวงจากการได้สมใจจะไปเหนี่ยวนาจิตวิญญาณของแต่ละคนให้อยากเสพตามพอได้เสพสมใจคืออัตตาชั่วก็จะอยากเสพสภาพดังกล่าวซ้าแล้วซ้าอีก ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดเป็นคลื่นแม่เหล็กแห่งการหลงเสพสุขลวงในชีวิตของผู้นั้นที่เพิ่มพลังแรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดเหนี่ยวนาผู้อื่นคนแล้วคนเล่าให้อยากเสพตามและอยากเสพกระทําการเสพสภาพดังกล่าวซ้าแล้วซ้าอีกต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด คลื่นแม่เหล็กของการอยากเสพสภาพดังกล่าวของหลายคนก็จะรวมกันเป็นสนามแม่เหล็กที่มีพลังเหนียวนำตนเองและผู้อื่นต่อเนื่องต่อเนื่องอย่างรุนแรงมหาศาลยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดเมื่ออยากเสพดีอย่างใจหมายมากๆก็จะใช้การบังคับกดดันด้วยวิธีการต่างๆโดยที่คนถูกบังคับเขาไม่เต็มใจ เขาไม่พร้อมแต่พยายามทำตามที่คนมีอำนาจสั่งจิตวิญญาณคนถูกสั่งเขาก็ทุกในส่วนผู้ที่ทำการบังคับผู้อื่นก็ต้องรับบาปนั้นอยู่แล้วในส่วนที่เหนี่ยวนำคนอื่นให้เป็นสภาพนั้นตามและเกิดพลังเหนี่ยวนำคนอื่นต่อเนื่องรวมทั้งเกิดการเสพซ้าแล้วซ้าอีกต่อเนื่อง พลังของผู้ใช้อำนาจเริ่มต้นมีส่วนอยู่เท่าไหร่ผู้เริ่มต้นนั้นก็ต้องรับส่วนบาปอันต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดเท่านั้นเท่านั้นซึ่งจะต้องรับผลบาปนั้นในชาตินี้และชาติอื่นๆสืบไปจากพระไตรปิฎกเล่มสามสิบเจ็ดข้อหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดจะเห็นได้ว่า แม้ผู้ที่บังคับผู้อื่นนั้นได้เสพสุขจากได้สมอัตตาคือการได้ดังใจหมายก็ยังมีวิบากบากที่ต้องรับอันไม่มีที่สิ้นสุดและถ้ามีอัตตาดังกล่าวแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดังใจมุ่งหมายก็จะรู้สึกทุกข์ใจโกรธเกลียดชิงชังไม่ชอบใจอาฆาต พยาบาทอึดอัดหดหูรำคาญซืมเศร้าไม่โปร่งไม่โล่งไม่สบายใจไม่เบิกบานใจเสียสุขภาพ ต, ตามมาเมื่อรุนแรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็จะทะเลาะวิวาทแตกความสามัคคีไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำร้ายคนอื่นได้ทำร้ายตนเองได้ เคลื่อนแม่เหล็กดังกล่าวก็จะเหนี่ยวนาคนอื่นให้มีสภาพดังกล่าวต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดคือรู้สึกเป็นทุกข์ไม่พอใจเมื่อไม่ได้ดั่งใจสั่งสมเป็นวิบาบบาต่อตนเองและผู้อื่นต่อเนื่องอันไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งจะต้องรับผลบาปนั้นในชาตินี้และชาติอื่นๆสืบไปจาก พระไตรปิฎกเล่ม37ข้16อ1698งัอปัตตานั้นจึงมีทั้งนรกทั้งขึ้นทั้งล่องเพราะได้เสพสมใจก็สั่งสมวิบากบาบไม่ได้เสพสมใจก็สั่งสมวิบากบาบดังนั้นชีวิตที่ต้องการความผาสุกที่แท้จริงจึงต้องเอาจริงเอาจังกับการเรียนรู้อัตตา และการสลายอัตตาเศษติ ด, ดีที่เกิดดั่งใจนั้นเกิดนรกแล้วไม่มีใครได้ดั่งใจตลอดเวลาอัตตาจะทำให้มองไม่เห็นความดีของคนอื่นเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่นเราถูกคนอื่นผิดนั่นแหละอัตตาในความเป็นจริงสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นทุกคนมีส่วนผิดด้วยกันทั้งนั้น คือได้ทำสิ่งที่ไม่ดีมาไม่ชาตินี้ก็ชาติก่อนดังที่พระพุทธเจ้ายืนยันว่าไม่มีอะไรที่ใครๆได้รับโดยที่ผู้นั้นไม่เคยทำสิ่งนั้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่แต่ละคนได้รับได้สัมผัสได้พบเจอคือสิ่งที่ผู้นั้นได้ทำสิ่งนั้นในชาตินี้หรือในชาติก่อนมาแล้วทั้งนั้นจากพระไตรปิฎก เล่มส7ิเจ็ดข้อหนึ่งัอัตราคืออยากได้สิ่งดีอยากให้เกิดสิ่งดีต่อตอนเองหรือผู้อื่นมากกว่าหรือน้อยกว่าความจริงที่เป็นไปได้จริงของกุศลอกุศลของตอนเองหรือของใครๆที่ส่งผลหรือออกฤธิ์ณเวลานั้นนั่นคือความสวยของมนุษย์เพราะ กุศลหรืออกุศลที่แต่ละคนเคยทํามาในอดีตชาติหรือปัจจุบันนั้นจะส่งผลหรือออกฤทธิ์แต่ละเสียววินาทีของแต่ละชีวิตทีละชุดทีละชุดอย่างไม่เที่ยงเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่เกิดจากที่ผู้ที่ได้รับผลนั้นเคยทํามาก่อนอย่างแน่นอนไม่ชาตินี้ก็ชาติก่อน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 แต่กรรมหรือการกระทำนั้นแหละจะให้ผลในภพนี้หรือในภพถัดไปหรือในภพอื่นสืบสืบไปจากพระไตรปิฎกเล่มสามสิบเจ็ดข้อหนึ่งโดยสัจจะแล้วกุศลของแต่ละคนที่ส่งผลออกฤทธิ์แต่ละขณะนั้นมีไม่มากพอที่จะสนองความอยากของอัตตาได้ เพราะอัตตาคือความอยากได้มากหรือน้อยกว่าความเป็นจริงที่เป็นไปได้จริงอยากได้มากหรือน้อยเกินบุญบาปกุศลอกุศลของตนเองหรือผู้อื่นคนที่ไม่อยู่กับความจริงคือคนโง่ผลคือทุกข์เมื่อคิดผิดทำผิดจากความจริงที่เป็นจริงของสัจจะแห่งกรรม จะทำให้ความหมองเกิดทันทีจงรู้ความจริงตามความเป็นจริงไม่โกหกตัวเองและผู้อื่นคิดพูดทำบุญกุศลตามความจริงที่เป็นความเจริญแท้แห่งสัจธรรมจิตวิญญาณก็จะเป็นสุขอย่างยั่งยืนเมื่อเราได้ทำสิ่งดีให้ดีที่สุดแล้ว เราไม่สามารถทำให้ได้ดีกว่าอากุศลของเราและของผู้อื่นที่ออกฤทธิ์ได้ความไม่ชอบใจใดๆที่เกิดขึ้นกับเราคือกระจกสองอัตตาของเราและวิบากร้ายที่เราเคยทำมาเมื่อเราเกิดความไม่สบายใจกับสิ่งใดๆล้วนคือสิ่งที่เราเคยทำมาในชาตินี้หรือชาติก่อน หรือกำลังทาอยู่ณปัจจุบันขณะทั้งนั้นต้องยอมรับความจริงด้วยปัญญาไม่ใช่แค่ท่องเอาอย่างไม่เข้าใจไม่มีปัญญาไม่จบทุกคนที่ดีมากเก่งมากแล้วติดดีติดเก่งมากๆนั่นแหละโคตรพ่อโคตรแม่ของอัตตาทำให้ทุกได้มากที่สุดทำให้แตกความสามัคคีได้มากที่สุด ผู้เขียนต้องขออภัยที่ใช้คําอาจจะดูเหมือนหยาบแต่แท้จริงแล้วเจตนาสื่อให้เข้าใจถึงสภาพความจริงอย่างชัดเจนจะได้สะดุ้งและรีบแก้ไขมหันตภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือผู้อื่นทำดีเต็มที่อย่างไม่ติดดีไม่ติดเก่งนั้นคือดีแท้เก่งแท้ไม่มีทุกข์ มีแต่สุขในจิตวิญญาณแต่ติดดีติดเก่งนั้นตีกลับเป็นชั่วซ้อนน่าสงสารคนที่ตามไม่ทันอัตตาเมื่อทำดีเต็มที่ด้วยความยินดีอย่างไม่วิวาดกันมีสามัคคีร่วมไม้ร่วมมือกันและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตามพุทธพจน์เจ็ดแล้วต้องปล่อยให้ทุกอย่างสังเคราะห์เป็นผลต่างๆ ตามกุศลอกุศลของเราและของคนในโลกเป็นการพักอย่างเป็นสุขเมื่อมีกำลังก็พากเพียรทำบุญกุศลใหม่ตามเหตุองค์ประกอบเหตุปัจจัยที่เป็นไปได้จริงณนะปัจจุบันตามกุศลอกุศลของเราและคนในโลกด้วยอิธิบาตคือพากเพียรทำสิ่งที่ดี ด้วยความยินดีเต็มใจพอใจสุขใจทำเต็มที่แล้วพักด้วยความยินดีเต็มใจพอใจสุขใจทำสลับไปมาเป็นการเพียรพักด้วยความสุขที่แท้จริงตลอดกาลนานตราบปรินิพานกิเลส จะใช้พลังของเราสร้างความรู้สึกทุกข์ให้กับเราและเราจะเสียพลังชีวิตในการดันความรู้สึกทุกข์นั้นออกการใช้พลังเสริมกิเลสทำสิ่งไม่ดีต่างๆทำให้เกิดของเสียเกาะในชีวิตเราต้องเสียพลังอย่างมากขับของเสียนั้นออกไปอีกทีหนึ่งทำให้พลังชีวิตลดลง เกิดความเจ็บป่วยบั่นทอนให้อายุสั้นและมีสิ่งเลวร้ายเข้ามาในชีวิตอัตตาคือความชั่วของคนดีคือเมื่อทำสิ่งดีอย่างเต็มที่แล้วสิ่งดีไม่เกิดดังใจมุ่งหมายก็ยังทุกใจกับความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ต้องการถ้ายึดดีหลงดีความดีจะตีกลับเป็นไม่ดีความสุข จะตีกลับเป็นทุกข์เราบังคับใครได้เขาไม่เต็มใจเราก็บาปต่อให้เขาเต็มใจถ้าเรามีอัตตาเราก็บาปถ้าเขามีอัตตาเขาก็บาปจิตวิญญาณของคนคือเชื้อดีเชื้อร้ายที่ติดต่อกันได้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่กระจายเชื้อดีร้ายออกไปให้คนอื่นได้เป็นสภาพนั้นตาม การตัดอะไรได้ก็ยังไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าลดกิเลสได้อาจลดได้หรือลดไม่ได้ก็ได้การลดกิเลสได้จริงนั้นต้องเกิดจากการพิจารณาความไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแท้และโทษของกิเลสประโยชน์ของการไม่มีกิเลสถ้าเราภาเคเพียรให้ปัญญาดังกล่าวกับตนเองและกับกิเลสของเราด้วยอิทธิบาท หรือความยินดีเต็มใจพอใจสุขใจมันสอนกิเลสโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นว่ากิเลสจะตายหรือสลายตอนไหนสอนกิเลสไปเรื่อยๆและทำใจว่ากิเลสจะตายหรือสลายตอนไหนก็ได้กิเลสเขาจะยอมสลายและตายดับศูนย์ไปต่อหน้า ต, ต่อตาของเราเองอย่างเต็มใจ เราก็จะมีพลังเบิกบานแจม่มใสเมื่อมีผัสสะหรือสิ่งกระทบหรือระลึกถึงสิ่งที่ทำให้เกิดกิเลสแล้วมีสติจับอาการกิเลสได้เราก็พิจารณาพูดคุยกับกิเลสแบบนี้ทุกครั้งทำไปเรื่อยจนกิเลสตัวนั้นนั้นสลายตายไปชนิดไม่กลับมาอีกเลยไม่ว่าจะมีผัสสะหรือสิ่งกระทบ หรือละลึกถึงสิ่งที่ทำให้เกิดกิเลสกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่มีอาการของกิเลสปรากฏในจิตจึงเรียกว่าบรรลุธรรมชีวิตผู้นั้นลดกิเลสตัวนั้นได้จริงจนหมดจากกิเลสตัวนั้นจริงเวรกรรมจากการเสดกิเลสของเรานั้นเราไม่มีวันชดใช้ทั้งหมดได้ เพราะเป็นวิบากกรรมที่ต่อเนื่องยาวนานอย่างมหาศาลแต่เราสามารถทำให้ทุเลาเบาบางมากที่สุดได้โดยการละความชั่วทำความดีลดกิเลสกรมและอัตตาจิตใจก็จะมีพลังยินดีพอใจเบิกบานแจม่มใสส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงและเกิดสิ่งดีๆในชีวิตด้วย การรู้ว่ากิเลสนั้นไม่ใช่กุศลแต่เป็นอกุศลเป็นทุกขั้งปวงในโลกคือการไม่ให้อาหารกิเลสภารกิจของเราคือสอนกิเลสและสอนตัวเราสันติอหิงสาที่สงบไม่เบียดเบียนที่แท้จริงคือการสอนกิเลส้วยการเจรจากับกิเลสจนกิเลสยอมสลายตายไปอย่างเต็มใจนั่นคือสันติภาพที่แท้จริง การหลงติดข้อที่สาของพรหมแบบมิจฉาเป็นสาเหตุให้เกิดความเจ็บป่วยส่วนการทำพรหมครบสี่ข้ออย่างสัมมาทำให้ความเจ็บป่วยทุเราได้เร็วเกิดสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการหลงติดข้อที่สามของพรหมและการทำพรหมครบสี่หน้าหนึ่งพรหมสามหน้า ทำดีมีทุกใจมีจิตใจไม่โปรง่งไม่โลง่งไม่สบายปบบักปนพรมสีหน้าทำดีไม่มีทุกใจจิตโปรง่งโล่งสบายตลอดสองพรมสามหน้าเป็นผู้จัดการเผด็จการชีวิตผู้อื่นพรมสีหน้าเป็นที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นสาม พรมสามหน้าเป็นเสือกชนล่วงละเมิดจุนจ้านวุ่นวายกดดันบีบทันบีบบังคับให้ผู้อื่นคิดพูดทําในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามดังที่ใจตนคิดและต้องการแม้ผู้อื่นจะไม่พร้อมไม่เต็มใจพรมสีหน้าเป็นสุภาพชนไม่ล่วงละเมิดไม่จุนจ้าน ไม่วุ่นวายให้อิสระเสรีให้สิทธิเสรีภาพผู้อื่นในการคิดพูดทําตามความเห็นความต้องการของเขาเขาจะดีจะชั่วมันก็เป็นสิทธิเสรีภาพของเขาเรามีหน้าที่เชื้อเชิญชวนเชิญชักชวนให้มาพิสูจน์ประโยชน์ของการหยุดชั่วหยุดสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงาม หันมาทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงานตามความเห็นของเราหรือของหมู่ด้วยความเต็มใจสมัครใจของเขาโดยไม่บีบบังคับจิตใจจะช่วยเหลือเกื้อกูลหรือรับใช้ผู้อื่นเมื่อเขาพร้อมและเต็มใจให้เราช่วยวิธีการดังกล่าวนั้นใช้ในกรณีที่บุคคล น, นั้น ไม่ได้ก่อความเดือดร้อนเลวร้ายต่อผู้อื่นมากจนเกินไปแต่กรณีที่บุคคล น, นั้นไร้เดียงสาแล้วกำลังสร้างอันตรายสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นอย่างมากถ้าเรามีเรี่ยวแรงกาลังความสามารถเราควรลงมือช่วยเหลือขัดขวางพฤติกรรมนั้นๆแม้เขาจะไม่เต็มใจ หรือกรณีที่บุคคลที่รู้เดียงสาแต่กิเลสหรือซาตานในใจเขามีมากจนถึงขั้นบีบบังคับให้เขาสร้างความเลวร้ายเดือดร้อนอันตรายให้กับผู้อื่นมากเกินไปเมื่อเราได้บอกดีๆแต่เขาไม่หยุดพฤติกรรมนั้นถ้าเรามีเรี่ยวแรงกำลังความสามารถเราควรใช้ศิลปะในการกดดันบีบทั้น บีบบังคับขัดขวางพฤติกรรมนั้นด้วยจิตเมตตาช่วยเหลือไม่ให้เขาสะสมบาปเวรภัยความเร็วร้ายให้กับตัวเองและผู้อื่นมากไปกว่านั้นการช่วยเหลือไม่ให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนเพราะเขามากเกินไปและช่วยลดช่วยต้านตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับสังคมเพื่อไม่ให้สังคมเอาเป็นเยี่ยงอย่าง และช่วยให้เขาไม่ต้องได้รับความทุกข์ทรมานจากบาปที่มากไปกว่าที่ได้ทํามาแล้วเพราะเขาต้องได้รับความทุกข์ทรมานจากผลบาปที่ได้ทํามาแล้วนั้นในชาตินี้และชาติอื่นๆสืบไปอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่มีเรี่ยวแรงกําลังความสามารถเราก็ต้องปล่อยให้เขาทําพฤติกรรมนั้นให้เขาเรียนรู้ผลเสียของพฤติกรรมนั้น โดยที่เราไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรหรือเราก็แยกตัวแยกกลุ่มออกมาใช้ชีวิตต่างหากจนกว่าเขาจะทุกเกินทนซึ่งการได้รับทุกคือการชดใช้บาปที่เคยทำมาวิบากบาปจะหมดไปเท่าที่ได้รับเมื่อวิบากบาปอันคืออกุศลหมดไปกุศลก็จะออกฤทธิ์ได้มาก ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอากุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมจเจริญขึ้นจากพระไตรปิฎกเล่มสิบข้อสองห้าสิบจะเกิดสภาพที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นทุก์จึงเห็นธรรมวันนั้นเขาจะอยากและพร้อมจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นเขาจะปฏิบัติสิ่งดีที่เขาเคยสัมผัสพบเห็น ซึ่งจะปรากฏขึ้นในจิตวิญญาณของเขาเพราะจิตวิญญาณของแต่ละคนคือเครื่องมือบันทึกข้อมูลทุกอย่างที่ได้สัมผัส พ, พบเห็นเมื่อถึงเวลาอันควรบาปถูกชดใช้กุศลจะออกฤทธิ์ข้อมูลที่ดีดังกล่าวจะถูกนำออกมาใช้ณวันนั้นถ้าเรามีเรี่ยวแรงกำลังความสามารถ เราก็จะช่วยเหลือเขาเพิ่มเติมอย่างเต็มที่เท่าที่เราจะช่วยเขาได้โดยไม่เบียดเบียนตัวเราเองและเท่าที่เขาจะรับได้เป็นการช่วยเหลือเขาโดยที่ไม่เบียดเบียนเขา 4. พรมสามหน้าหน้ารำคาญที่สุดหน้ารังเกียจที่สุดหน้าเบื่อหน่ายที่สุดหน้าห่างไกลที่สุด พรมสี่หน้าเมื่อคบหามีความสบายใจอบอุ่นสงบเย็นผาสุกหน้าเข้าใกล้หน้าระลึกถึงหพรมสามหน้าคนดีที่โลกเกลียดชังเบื่อระอารำคาญไม่ต้องการและเป็นคนดีที่มีแต่ความทุกข์พรมสี่หน้าคนดีที่โลกรักรอ ต้องการและเป็นคนดีที่มีแต่ความผาสุกหพรมสามหน้าอยากให้เกิดสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแบบมุ่งหมายและปักมั่นเมื่อไม่ได้ดังใจตนต้องการก็จะทุกข์กายทุกข์ใจหงุดหงิดโมโหพยาบาทน้อยใจไม่โปรง่งไม่โลง่งไม่สบายใจไม่ชอบใจ อ, อึดอัดทัดเคืองตำคานหาเรื่องเอาเรื่องกดดันผลักดันดีดดิ้นซัด ส, สายพรมสีหน้าอยากให้เกิดสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแบบมุ่งหมายแต่ไม่ปักมั่นแม้จะไม่ได้ดังใจดังความคิดที่ตนต้องการก็ไม่ทุกกายไม่ทุกใจ ยังมีความสุขสบายใจอยู่ได้ 7. พรมสามหน้าหลงติดดีคือยินดีในการทำความดีด้วยความวิตกกังวลกลัวว่าดีจะไม่เกิดถ้าเกิดดีจะรู้สึกเป็นสุขแต่ถ้าดีไม่เกิดจะรู้สึกเป็นทุกขยึดมั่นถือมั่นว่าการกระทำและผลของการกระทำดีนั้น ว่าเป็นตัวเราของเรายั่งยืนไม่แปลเปลี่ยนตลอดกาลนานพรมศีหน้ารู้จักอาศัยดีโดยไม่หลงติดดีคือรู้จักอาศัยดีด้วยการยินดีเต็มใจพอใจสุขใจในการทำดีเพราะรู้ว่าดีเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าเป็นความประเสริฐ เป็นสิ่งที่ควรอาศัยเมื่อดีเกิดก็รู้ว่าเกิดได้เพราะทั้งผู้ให้และผู้รับได้ทำเหตุปัจจัยทั้งอดีตและปัจจุบันสังเคราะห์กันพอเหมาะครบเหตุปัจจัยที่ทำให้ผลดีเกิดได้ไม่หลงติดดีว่าต้องเกิดได้ดังใจมุ่งหมายผลดีจะเกิดดังใจมุ่งหมายก็ได้ไม่เกิดดังใจมุ่งหมายก็ได้เพราะมีปัญญารู้ว่า ผลดีจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยหรือไม่เกิดดีหรือเกิดสิ่งร้ายก็ล้วนเป็นไปตามสัจจะแห่งกรรมดีกรรมชั่วในอดีตส่วนหนึ่งและปัจจุบันส่วนหนึ่งของผู้รับผลนั้นๆสังเคราะห์กันจากพระไตรปิฎกเล่มสาสิบเจ็ดข้อหนึ่งันห้อเก้าสิบแปดและมีปัญญารู้ว่าการกระทำนั้นกระทำแล้ว การกระทำนั้นก็จบดับไปเหลือเพียงพลังแห่งวิบากของการกระทำเท่านั้นที่รอส่งผลให้กับชีวิตของผู้นั้นในชาตินี้และชาติอื่นๆสืบไปผลดีหรือร้ายใดที่เกิดแล้วก็จะตั้งอยู่ตามริดแรงกอบก่อเมื่อหมดริดแรงของการกอบก่อแล้วก็จะดับไป หรือไม่เราก็ดับขันปรินิพานก่อนดีหรือร้ายที่ยังไม่ให้ผลจะให้ผลทิ้งพลังงานดีหรือร้ายที่ยังไม่ให้ผลนั้นเป็นสมบัติของโลกจึงไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าการกระทำและผลของการกระทำนั้นเป็นตัวเราของเราอย่างเที่ยงแท้ถาวรตลอดกาลนาน จึงเป็นผู้ที่มีความสุขในการทำดีเมื่อมีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมแต่ถ้าเหตุปัจจัยไม่เหมาะสมเช่นถ้าทำสิ่งที่เราเห็นว่าดีนั้นในเวลานั้นสถานการณ์อย่างนั้นจะทำให้เกิดการเบียดเบียนจิตใจและร่างกายของตนเองและผู้อื่นก็จะมีความสุขมีความพอใจในการไม่ทำ เพราะนอกจากจะไม่เสียหายแล้วยังไม่เปลืองแรงไม่เปลืองตัวด้วยมีความยินดีพอใจสุขใจในการทำดีและมีความยินดีพอใจสุขใจในการวางดีทิ้งดีให้โลกสมบัติแท้ชิ้นสุดท้ายของทุกชีวิตก็คือความไม่ได้ไม่เป็นไม่มีอะไร เรามีหน้าที่ทําสิ่งต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพื่อให้เราและโลกได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปเท่านั้นมีความยินดีพอใจสุขใจในการไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากมีอะไรมาเสพเพื่อตัวเราของเรา แต่มีความยินดีพอใจสุขใจกับการมีอาศัยสิ่งต่างๆ ต, ตามมีตามได้ตามทำเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้โลกเท่าที่จะทำได้เท่านั้นเพราะรู้ว่าสมบัติที่มนุษย์ควรอาศัยขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือกรรมดีหรือกุศลธรรมและความไม่ทุกข์เท่านั้นจึงเป็นการทำดีอย่างมีความสุข ขณะทำดีก็ทำด้วยความสุขได้ดั่งใจก็เป็นสุขไม่ได้ดั่งใจก็เป็นสุข8พรมสามหน้าคิดหวังว่าโลกนี้ต้องสมบูรณ์แบบพรมสีหน้ารู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดส่วนหนึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของโลกและปัจจัยหลัก ที่มีผลต่อความพร่องมากที่สุดคือวิบากอากุศลของแต่ละคนในอดีตและปัจจุบันสังเคราะห์กันเกพรมสามหน้าเป็นการให้เพื่อจะเอาเป็นผู้จะเอาจะเสพติดพฤติกรรมดีๆจากผู้อื่นดูเผินๆ เ, เหมือนจะให้ผู้อื่นได้ดีหรือมีพฤติกรรมดีๆแต่ซ้อนลึกตนเอง ก็เอาการเสพติดสิ่งดีนั้นตอบแทนให้สมใจตนจิตที่คิดจะเอาจะเล่าร้อนทุกระทมพรมสีหน้าเป็นการให้เพื่อให้เป็นผู้ให้ผู้อื่นได้สิ่งดีหรือมีพฤติกรรมดีๆโดยไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากมีอะไรตอบแทนแม้แต่รอยยิ้มและคําขอบคุณ รวมทั้งการให้ผู้อื่นมีพฤติกรรมดีๆตอบแทนจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอาสิบพรมสามหน้าไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าใครจะได้รับอะไรเท่าไหร่เวลาใดก็ตามเหตุปัจจัยของการกระทำหรือกรรมของคนคนนั้นทำมาในอดีตส่วนหนึ่งและปัจจุบันส่วนหนึ่งสังเคราะห์กัน จะได้ดีมากไปกว่าที่ตนทามาไม่ได้จากพระไตรปิฎกเล่มส7ิข้อหนึ่งพรพรมศีหน้ารู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าใครจะได้รับอะไรเท่าไหร่เวลาใดก็ตามเหตุปัจจัยของการกระทำหรือตามของคนคนนั้นทำมาในอดีตส่วนหนึ่งและปัจจุบันส่วนหนึ่งสังเคราะห์กัน จากพระไตรปิฎกเล่มสามสิบเจ็ดข้อหนึ่งันห้สจะได้ดีมากไปกว่าที่ตนทำมาไม่ได้สิบเอ็ดพรมสามหน้าเป็นผู้หลงผลของการกระทำผลออกมาดีสมใจก็จะฟูใจสุขใจผลออกมาไม่ดีหรือได้น้อยก็จะทุกใจไม่พอใจพรมสี่หน้า เป็นผู้อยู่เหนือผลของการกระทําไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ไม่ทุกใจมีแต่ความยินดีพอใจสุขใจเพราะรู้ว่าเมื่อเราได้ยินดีเต็มใจพอใจสุขใจในการเพียรพยายามอย่างเต็มที่ในขีดที่พอดีแล้วผลที่เกิดขึ้นก็ดีที่สุดแล้วที่เป็นไปได้จริงจึงยินดี พอใจสุขใจในผลนั้นและยินดีพอใจสุขใจในการวางผลนั้นให้โลกได้อาศัยส่วนตนเองเอาความยินดีเต็มใจพอใจสุขใจสงบสบายกับความไม่ติดยึดอะไรมาเพื่อตัวเราของเราพรมสีหน้าเป็นผู้ที่เข้าใจสัจจว่า ความสำเร็จในการทำงานหรือความสำเร็จในการช่วยคนหรือความสำเร็จในการรักษาโรคทางกายของเราก็ไม่ใช่ความสำเร็จหรือไม่ใช่ประโยชน์ที่แท้จริงของเราความสำเร็จหรือประโยชน์ที่แท้จริงของเราคือเราไม่ทุกข์ไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ เมื่อเราได้ลงมือทำอย่างเต็มที่แล้วอุเบกขาแท้นั้นเมื่อเราได้ยินดีเต็มใจภาคเพียรพยายามทำสิ่งที่ดีให้กับตนเองหรือผู้อื่นอย่างเต็มที่แล้วเราก็ยินดีเต็มใจปล่อยวางทั้งการกระทำและผลของการกระทาให้โลกไปตามบาปบุญกุศลอกุศลของเราและโลกเพราะไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไร สุดท้ายมันก็ดับไปเรายินดีเต็มใจพอใจสุขใจกับการรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าดีเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมเป็นสิ่งที่ควรกระทำและควรอาศัยแต่ยึดมั่นถือมั่นให้ผลดีเกิดขึ้นดังใจเราหมายตลอดไม่ได้ เพราะขึ้นอยู่กับวิบากเก่าส่วนหนึ่งและวิบากใหม่ส่วนหนึ่งของแต่ละคนที่ได้รับผล น, นั้นสัง่งเคราะห์กันส่วนชั่วเป็นความเดือดร้อนเป็นความเสื่อมต่ำเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำไม่ควรส่งเสริมควรต่อต้านและไม่ควรอาศัยเมื่อเราเลิกจากชั่วใดด้วยความรังเกยียจชั่วได้แล้วก็ล้างความรังเกยียจชั่วออกไปเพราะ ความรังเกียจชั่วทำให้ใจเป็นทุกข์ด้วยการเปลี่ยนจากความรังเกียจเป็นเมตตาและอุเบกขาคือปรารถนาให้เขาพ้นชั่วพ้นบาปพ้นทุกข์นั้นเราช่วยเขาได้ก็ช่วยช่วยเขาไม่ได้ก็ไม่ช่วยเราช่วยเขาให้เขาพ้นชั่วพ้นบาปพ้นทุกข์นั้นเท่าที่เราช่วยได้ถ้าช่วยได้เท่าไหร่ ก็ปล่อยวางให้เป็นกุศลของเขาตามจริงนั้นช่วยไม่ได้ก็ปล่อยวางให้เป็นอกุศลของเขาวันที่เขาทุกเกินทนเขาจะเลิกทำชั่วไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งแล้วเขาจะหันมาทำดีหรือเห็นทุกจึงเห็นธรรมพลังความดีของเขา จะทำให้เขาได้พบสัตตบุรุษได้ฟังสัจธรรมเกิดการปฏิบัติจนพ้นทุกในที่สุดส่วนเรานั้นได้ทำดีอย่างเต็มที่แล้วจิตวิญญาณของเราก็จะบันทึกเป็นกุศลของเราอย่างเต็มที่เช่นกันคอยให้ผลในชาตินี้และชาติอื่นๆสืบไปให้ผลแล้วก็จบดับไปสุดท้าย เมื่อถึงเวลาอันควรไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งเราก็ปรินิพานจบดับศูน์มนุษย์ผู้มีปัญญาและมีความประเสริฐแท้จึงเป็นผู้ยินดีเต็มใจพอใจสุขใจในการไม่ทำชั่วยินดีเต็มใจพอใจ สุขใจในการทำแต่ความดีอย่างเต็มที่โดยไม่เบียดเบียนไม่ทรมานตนเองและผู้อื่นตามองค์ประกอบเหตุปัจจัยที่จะทำได้นะเวลานั้นแล้วทำจิตใจให้ยินดีเต็มใจพอใจสุขใจผ่องใสสงบสบายด้วยการปล่อยวางทั้งการกระทำให้จบดับไป และผลของการตระทำนั้นให้ส่งผลตามวิบากของเราและของคนในโลกในอดีตส่วนหนึ่งและปัจจุบันส่วนหนึ่งสังเคราะห์กันรับผลแล้วเมื่อหมดฤทธิ์ของวิบากนั้นผลนั้นก็จะจบดับไป 12. พรมสามหน้าทำดีด้วยความกังวลใจ และเปลืองพลังในการลุ้นผลพรมสีหน้าทำดีด้วยความยินดีเต็มใจสบายใจไม่กังวลกับผลแต่มีความสุขในการตรวจผลว่าทำเหตุอย่างนี้มีองค์ประกอบอย่างนี้เกิดผลอย่างนี้ถ้าคราวต่อไปสามารถทำให้ดีกว่าได้ก็ทำ ถ้าทำไม่ได้ก็วางใจทำให้เกิดสภาพที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้จริงทุกครั้งก็พอส3บสามกรมสามหน้าขยันเกินอย่างไม่ดูตาม้าตาเรือไม่ดูสถานการณ์และความพร้อมของตัวเองและผู้อื่น ขยันเกินจนตัวเองต้องเสียสุขภาพเป็นประจำกินใช้ไม่พอดีสละผลที่ได้ออกไปอย่างไม่พอดีเช่นมากไปหรือน้อยไปจนเบียดเบียนตนพรมสีหน้าขยันพอดีอย่างดูตาม้าตาเรือดูสถานการณ์และความพร้อมของตัวเองและผู้อื่นขยันเต็มที่ให้เหนื่อยหนักพอดี เท่าที่จะมีสุขภาพดีเพราะรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าขยันเกินร่างกายก็เสื่อมเร็วขี้เกียจเกินร่างกายก็เสื่อมเร็วขยันเต็มที่ให้เหนื่อยหนักอย่างพอดีแข็งแรงที่สุดขยันอย่างพอดีก็คือการตั้งตนอยู่บนความลำบากให้เหนื่อยหนักในขีดที่ทนได้ โดยไม่ยากไม่ลำบากไม่ทรมานตนเองจนถึงขั้นทนได้ยากได้ลำบากดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งจึงจะแข็งแกร่งที่สุดสบายที่สุดเสื่อมช้าที่สุดเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสูงสุด สลักผลที่ได้ออกไปอย่างพอดีเพราะรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าถ้าสลักมากไปก็ขาดแคลนไม่มีทุนขยายกิจการบุญกุศลนั้นๆต่อไปหรือถ้ากักไว้มากเกินหรือสลักออกน้อยไปก็จะเป็นภาระและวิตกกังวลในการดูแลเปล่าๆแทนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และเป็นกุศลต่อตนเองกลับกลายเป็นปัญหาต่อตัวเองรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าเราสลักออกก็เป็นกุศลของเรานั่นแหละเช่นเราช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นไว้มากๆถึงเวลาอันควรพลังงานสนามแม่เหล็กแห่งกรรมดีของเรา ที่เราได้กระทำมาซึ่งได้สั่งสมไว้ในจิตวิญญาณของเราก็จะเขียนบทหรือกรรลิขิดดนบรรดาลแสดงฤทธ์แสดงบทบาทจัดสรรให้มีผู้คนสสารพลังงานเหตุการณ์องค์ประกอบเหตุปัจจัยสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือเกื้อกูลเราเองแม้เราจะไม่อยากได้ตอบแทนคืนก็ตาม มันเป็นสัจจะเป็นสมบัติแท้ของเราความจริงในชีวิตการกินใช้แค่พอดีที่จะมีความเป็นอยู่ผาสุกมีสุขภาพที่ดีไม่มีภาระมากนั้นกินใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่จำเป็นต้องสะสมไว้มากเกินจนเป็นภาระเป็นภัยต่อตนเองสิ่งที่เกินความจำเป็นถ้าเราเก็บเอาไว้ จะเป็นภาระเป็นภัยถ้าสลักออกไปจะเป็นบุญกุศลเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นสลักออกไปด้วยปัญญาว่าจะให้ข้าวของหรือกิจกรรมอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรจึงจะไม่ส่งเสริมความโลภโกรธหลงให้เขาให้เขาได้พึ่งตนมีน้ำใจเกื้อกูลแบ่งปันคนอื่นต่อไป ดังตัวอย่างของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะมีสมบัติมีกุศลมากมายก็ไม่หลงหอบห่วงมาเป็นภาระเป็นภัยต่อตนส่วนผู้ที่ไม่รู้สัจจะ ก, ก็ต้องทุกข์เป็นภาระเป็นความวิตกกังวลเป็นภัยกับสมบัติและกุศลโลกียะของตนทุกข์ยากลําบากในการแสวงหายังต้องทุกข์ยากลําบาก ในการรักษาทุกยากลำบากในการขยายกิจการต่อทุกจากทรัพย์สมบัติจะดึงดูดคนที่มีความโลภความเห็นแก่ตัวมาอยู่ใกล้เราซึ่งเสี่ยงต่อการทําอันตรายต่อเราได้ยิ่งไปกว่านั้นการตักเก็บไว้มากเกินความจําเป็นนั้นเป็นวิบากอากุศลซ้อนเพราะทําให้คนอื่นลําบากขาดแคลน ซึ่งวิบากอากุศลจะดูดดึงสิ่งเลวร้ายมาสู่ชีวิตตนตามความโง่ไม่รู้ทุกท้ภัยของการมีมากเกินของตนนี้คือความสวยของคนรวยคนรวยจึงสวยกว่าคนจนที่มีปัญญารู้สัจธรรมผู้ที่มีปัญญาฉลาดในสัจธรรมจะฝากสมบัติไว้กับผู้คนต่างๆเกือกูลผู้อื่นไว้ ซึ่งก็คือธนาคารบุญกุศลที่สั่งสมไว้ในจิตวิญญาณของตนเองย่อมสบายใจกว่าไม่ต้องปวดหัววิตกกังวลกับสมบัติและสมบัติก็ไม่ก่อภายัยไม่ก่อความเดือดร้อนให้สมบัติบุญกุศลจะถูกจัดสรรมาให้เราใช้ตามความเหมาะสมตามธรรมเองผู้ที่ถึงสัจจาว่า ชีวิตจะมั่นคงผาสุขได้อย่างไรจึงเลือกที่จะจนอย่างขยันทำภาระหน้าที่การงานที่มีคุณค่าประโยชน์สุดฝีมือโดยทำในขีดที่หนักเหนื่อยอย่างพอดีที่จะไม่เบียดเบียนไม่ทรมานตนฝึกกินน้อยใช้น้อยแค่พอดีแข็งแรงไม่ใช้ในสิ่งที่เป็นภัยและไม่จำเป็น แต่ใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และจำเป็นเท่านั้นอะไรที่จำเป็นที่เราพึ่งตนเองได้ทำเองได้ก็ทำเองส่วนที่ต้องเก็บไว้ก็เก็บไว้แต่น้อยที่สุดเท่าที่จะพอดีที่จะดำเนินกิจกรรมการงานไปได้โดยไม่ลำบากไม่ฟืดเคืองเกินไปไม่เบียดเบียนทรมานตนคือไม่ขาดแคลน และไม่มากจนเป็นภาระเป็นภัยที่เหลือสละออกไปฝากไว้เป็นธนาคารบุญกุศล